ชาบูเกี่ยวกันเป็ตก้อนหมดชานาดำขึ้นตัวแกตั้งตัวลายแม่าตเวาชาโมกที่เป็นถึดเลยทำแต่ว่าชา่ิเด่อนแต่บนชาติมาสวะคือบนชาล่าเห็นเกี่ยวกันทั้งหมดตอนนีชาราคาชาชาโ่อาไปด้วยจนเกียบผ การประจสองนการทาอุโบสถเบวยดหรือติดตู้อุโบสถเราพระุธศาสนาทของ้ากาจำพรพุศาสของเรารูงเดียวขงนี้ซึ่งมีพระอารักขาล้วนใรูปบคลหรือพระขาบุคคลเบียนจึงจะนําตั้งคันอันหนึ่งซึ่งพวกเราท่านหรือพระพุศาสนา ทำจุดทำใจและลดกสียถ้าจำมาจำได้ไม่ยากและเหลา่ า, าอ ร, ริยสาวกจุดตับขันกรได้นม่ทันนั้นเพระว่าทั้งท่านจแนะนำในเนื้อพระองค์ยังทรงพ้าชนอยู่ัวบรวมลงล้อกตัดจกตต์รรดตาตัดใจตัดเนื้นอตัดรูสตัอจังปทา ภิกษุตาปริโย้าปลงอเวตางพุทธาสาษากั็นไรซึ่งแปลเป็นภาษาไทยของเราว่าให้เรื่อนจากตาต้องพวงให้ถึงพ anyway? ้อมโดยบุญโดยสุสนและท่านจุดท่านใจทั้งตนให้ค่องคอดูเป็นอร่าทขางพระพุทธเจ้าทุกทุกเท้าอง์ที่ได้าตัดสริในโลกโยมและ และสอนมนุษย์นิสซอนผั่วไปเข้าทาตันเริ่นจากบาตรเริ่จากชั่วแล้วมาถึงช้ามโดยบุญโดยกุศลเพราะว่าบาตพวกเราทุกคนตบคงพอเข้า ใ, ใจกันบาตได้แต่อะไรจึงชื่อไม่ดีจูงชื่อในงานจูงชื่อไม่เป็นมงคนจึงชื่ทอทาตนระบบคนตัวอื่นแต่รับการเรียนรู้ การเรียบาปบาปท้าที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่อื่นแต่จะเกิดขึ้นจากมุนงตาตาหรือจากเกิดขึ้นจากต้นม้จุเขาไม่ใช่เท่านั้นบาปย่อมเกิดขึ้นจากตายว่าใจของพวกเราทุกคนตัวนั้นเองตําหโดยเฉพาะแต่คนตามาสามุตย์เจ้าท่านจริงให้พวกเราทั้งหลายเรียนจากบาปคำว่าบาปจนถึงขึ้ บกควนทั่วไปเข้าใจกันและไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องกางรยาไปแต่ต้องยาไปแต่ทําำการทั่วคือเรียกาบาปเพราะบาปนั้นเมื่อเราทํำลงไปจนได้รับผลเป็นทุกได้ที่ได้เป็นชุกได้ที่ได้เป็นทุกเรื่องร้อนเรืองายต่างๆ่างวจบบตับตายปวดตัจปวดตับ ดาเป็นตัวใหญ่บางรั้ทบางคนก็อยากเห่นจัยเฉพาะที่ดาวโดยคนทํามาพิษดาดาดนั้นจะเกิดสารต้านย่อยให้กับกันฝด้วยในตาอย่างเห็นได้ว่าถ้าแห่เรามาที่นี่พิจารณาภายในดาได้จะอะไรก็คือเพื่ที่วยพวกเราในต่างแดนเราจึงาบได้ลูก จะเอาใมาไม่สมประกอบเป็นต้นแบบหาด่วนแย่งด่วนหรือตาบอดหรือหนวกเหล่านี้เราเรียกว่าบุคคลผู้นั้นได้ป่าหรือฮาบุคคลผู้นั้นได้รูปใหญ่นั้นถ้าใจแบบเป็นบุญของเราได้ตาบอดจะไม่ได้ดูอะไรจะแต่ดวงสบายจิตใจมาขัดข้องมาจุดไม่รูปต่างๆเป็นบุญของเราใหญ่ยิ่งดูใครชอบเคาต้องการเนาะ เราถืรัวตัวเมืนกันใครเขาต่องใจเรามีใครต่องใจตัวของเราเ็นต้องใเหมือนกันว่าเป็นส่นนั้นตัวบาตรตัวจีนสื่อบุคคลมนต้องาจบุคคลในหยาดไา้จีสื่อคนทั้งหลายไม่ยินยอมยอมเชื่อเกี่ยวกับตัวบาตรบาตรพูดเรามากไหตัวเราตายเขาพวกเราท่านคือหนุมประกอบคือหนูดูหน่อยๆเรียกบาตรหรือได้เอามา คนคนแบบปวยยิ้งได้ตาหน้มาคนคนที่เหล่ามายาคนคนตัวต้าลาลานบอกนอนสอนนอ้ด่าคนบอนั้นต้างการนั้นเ่อมาพลาได้คนที่เหล่ามายาตัวต้าลาลันเป็นโจนขโมยต่างฝ่าแต่เป็นุนเป็นผู้เ้องตนปวยิงทั่วไปนนิยมชมชอบอย่างนั้นลูกเต่าเลี้หลานต้องตนที่เขึ้นมาในอุทามต่างหยท้องตนก็ดี อาเป็นลูกที่วาใ น, น, าน่อในอนสอนไม่ได้เป็นคนหัวด้หัวดุอ า, าดีดามันดาดาราก็ไม่ร้ที่านต่างๆลูกไม่ใอ้ทานให้บอกไปโรงรัยนโรงเรียนบอกสืบตัวไ้ที่ใหม่สั้งหาสมบัติพักเศษฐานสื่ดูดามันดาให้ลูกแบบนั้นไเส่ ล, ล, ลูกบุญเลือกบาตพวกเราทั้งหลายจะตอบกัได้โดยง่าก็เป็นลูกบาตบาตมันเป็นอย่างนี้ บาปผู้จะตรวจสอนที่จะรู้ได้ต่อไปอาไส่ใจรายใจใจของกฎรายขัดได้แต่ทำตามกฎเอาไว้ในมีตาไว้ในข้างมาตาก็ยันใเไจะไม่ได้รับลเตานมารอะไรยาารนมาเตารุ่นได้จนแบ้อตกลงอะไรารุ่ตารยังสูงแบบอะรมาารุ่นได้ต่างกงจุด่ก็ถึงก็ถ เราต้อตการนะได้ที่รักได้มาจากติดใจมาจากใจเราใจาจากตัวพวกราเองและบุคคผู้อื่ไ้้วตามถึถึงเินทองเาชใ้ยินดูได้ที่รัได้มาต่างบาส่วนนี้เึ้นจากการทำาัมปสิทธิ์ของรทํายราะเหตุไปเพราเราทันต่างแนจึงคือในดี้นชอบทุกคนเนี่ย วเอได้ย um, ้ายได้ึ้นได้รูปต si. ้าเลี้ยนหลานรูปตาหนูเทายามาแบบนั้นก็แค่บาดซ้ำตัวของเราหายไปแต่ไส่เสื้อรูปาตายจะเหมือนการรูตคนไม่ต้องการอะไรเยอวแะเรื่องาหรือตาต่างๆรูปคนหรือตายาได้เป็นคนที่เดี๋ยวจบงานยาบดาเป็นคนดูคนดีมีหน้ามีตาดูเสมอใครมองดูก็อยากให้ชอบอกปลืใจ ราผู้หญิงผู้ชาย้นที่รที่เลือดส้นยางู้ว่าใในใจละเอียดมากควรผู้ที่รูในรูที่เลือดต้นหยางเนื้อิว่างท้องท่นงานจสดงดงามขนาดไหนจะเปนพิษเป็นไข่จากคนมีที่เอดท่านก่อนที่ถานหนา อ, อย่าง้าคตนะั้งใจนะผเวร่างท้องท่านสวยสงดงามมากใครเห็นก็ชอบอกติดใจจนถึงกับว่าผู้ชายด้ยวยกันก็ยังด้รับใขยินดี จนเอ่ยตา อ, ออกว่าถ้าหากเป็นผู้หญิงตัวใอย่างนี้ไม่ได้เป็นภรร ย, ยาแล้วผ่าเพศใจจะไมยอมตามชุดเล็กของบางคนถึงมีชื่อเหลือจนแบบจนถึงแปบว่ายะรับนือดเนเล็ชุดจนชื่อเหลือับถ้าตัาใ จ, ว, จาหาหาว่าเราจานะพููชายเป็นผู้หญิงไปตามตลางโดยสาวไว้ก็่นเทือก อย่างนั้นมาขอสมาจะข้ากจายนะขากจาย น, นาะท่านก็เห้ยที่ทษให้เราตายเป็นผู้ายตามเดิมน่ตาม ต, ลตามลาหลัดตะลาว่าอย่างนี้ถ้ากจายนะท่านหมดที่เหลือกันภายในใจของท่านท่านเห็นเราเ่วยสดงามแบบนี้จนชุดจนไทยเสียใจของผู้ชุคนคนไ ห, เหนเรวดที่เหลือท่านจึงอธิษฐานเพอวู่าท่านเป็นแบบไหน ส่ววกเราท่านสาวเคยเห็นลูกพระกระยาดไหมฟองโตโตเคยเนกันอยู่ขั้วทุกคนทุกแห่งนชิลคือานที่ฐานใหม่เขื่อนศพดูชเหล่อกปนแห่ยาจะสวยเสร็จงดงามแม่ในบาดไทยเทนั้นหากมีฐานที่ซ่อมแปลงอวัยวะรือเตลี่ยนได้แต่ฐานที่นั้นจะไม่ขาบคนเข้าไป เยนและ่าต่างๆอยากจะสวยสดงดงามเอารูปนี้มาไม่พอใจจะขึแล้วเอารูปใหม่ดูเดี่ยวใจคนมีจิตหลวดในใจเป็นแบบนั้นตารางูปของพวกเราท่านเกิดขึ้นมาจากจิตใครจะมาเปียนแปลงได้ใสขนาดไหนไม่ได้ม่เรื่อนเรื่องอะไรของรถยนตนรถไฟเนี่ยติดล้อเลือกยาสพต้องได้ ส่วนล่าวสายของมนุษย์หญิงชายเกิดมาจากจัดให้ประการรนลูกสวยงามทั้งนั้นแต่ไม่ได้าตามใจปากนะเราะว่าจำที่เป็นั่งเนี่นนยไม่สมประกอบไม่เพียงพอเกิดนั้นลูกมนุษย์เราถึงจะเกิดมามากเท่าไรไม่เหมือนกันเป็นผู้หญิงก็มีอวัยวะเพศอยูเหมือนกันแต่หน้าตาใส่ขาผีสั้นบรรณะ ลก่ไม่เหมือนกันเป็นผู้ชายกับเมียระย ะ, ะเพศายเหมือนกันแต่เพราะว่ารูปร่างต่างตัวไม่เหมือนกันจุดแตกแตกต่างกันยื่นเกิดมาจากบุญจากกรรมทั้งๆคือดูด า, ามารดาปราถนาะอยากจะใหุ้่สวยสดงดงามเรื่องแฟนทางนั้นรูกของท่านทุกค น, นาานะท่านปราถนารูกสวยๆทางนั้นไม่าผู้หญิงผู้ชายแต่ลูกของคนคนเดียวนั่นแหละ ถ้าคนเดียวเมื่อคนเดียวออกจากพันอันเดียวกันมาโดยออกจากสื่อื่นแต่หัวใจยาวเล่าลูกเหล่านั้นไม่เหมือนกันศพเพราะจำของลูกเหล่านั้นไม่เหมือนกันบางท่านบางคนศพสวยงดงามบางท่านบางคนขี้ฤ่ษ์ขี้ฤตบางท่านบางคนมีเศรษฐีปัญญาเฉียดแหลมบางท่านบางคนโง่เขยเตาตึงจนไปต่างๆนานา ทั้งคดามันดาคนเดียวกันแสดงว่ากรรมของบุคคลสร้างมาไมเหมือนกันกรรที่ดียอมอำหนูอวยใจให้บุคคลผู้ต่างไวได้รับผลรับประโยชน์มีความเสลยวฉาดงามปราศจากโรคไต่ไขเจ็บมีสตอสัญญาที่ชาสันลเฉียบขแต่คนที่ไม่มีกรรมดีมีแต่กรรมชั่วเกิดมาพอเป็นตัวของมนุษย์แต่เท่าบุญหรือผน เต่าก่นไม่หมามูลเป็นคนชื่อไม่มีบุญมีรัศนานาเต่าก่อนพอเกิดมาอรรยวะก็ไม่ดีเหมือนเขาชีวิการบรรณะก็ไม่ดีสติปัญญาก็ไม่ดีอะไรไม่ดีทั้งนั้นถึงพ่อนม่จะสนับสนุนให้ศึกษาเรียนก็ไม่ได้ิีชาทำรู้อะไรเพราะสติตัญญาไม่มีเยอะเต่าทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือคนไม่ดีเพราะกรรมที่ตนสรางเอาไว้ตามเกิดขึ้นจากตาจากวาจากาจากใจตายเป็นอย่างไรตายผิดเป็นกรรมชั่วพระพุทธเจ้าบอกเคยแม่สอนไว้ในตำหลักตำราให้พวกเราท่านได้ทีนี้ที่จะรียนนามางั้นกันคำว่าบาปคำว่ากรรมคำว่าชั่วเกิดขึ้นจากตัวของตัวกรรมชั่ว คือเรื่องระบาดทางตายเขาพูดใเจ้าสาวโว้คือการข่าเขาหลือดเดี้ยงเขาคนที่ฆ่าเขาเหลือดเดี้ยงเขาเดินบาดเพระเหตุใดเพระเหตดว่าตัวของเราเองก็ไม่ชอบไม่พอใจไม่ยินดีในเหยื่อใสในบุกคคลผู้ที่มาฆ่าตีหรือเหลือดเดี้ยงตัวฉันใด้ตัดบุคคลทั่วไปในโลกกับฆ่า เขาก็ไม่ชอบมายินดูเหมือนกันคนนั้นเกิดนั้นผู้ที่ฆ่าเขาเลือบเดียนเขาเกิดขึ้นมายิงได้คือว่าคนมาทำชั่วมาทำบาปปัจจุบนันคันตาเขากเกิดจะเกิดมีคนอิจฉามีคนเดือบเดือนไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งต้องการนอกจากพับพวกวคนชั่วด้วยกันเท่านั้น เมื่อเขาตายไปก็จะได้รับความหมกไหมในอบายภูมิต่างๆท่านเกิดขึ้นมาชาติหลังก็จะมีผู้มาฆ่ามาตีมาเดียดมาเดืยดพระพุทธเจ้าชิงสอนให้พวกเราทั่วไปเริ่นจากจำทั่วทางกายคือการเดียดเดียนการฆ่าตีดีโดยคนอื่นสัตว์อื่นนี่เป็นข้อหนึ่งซึ่งพวกเราทั้งหลายควรจดจําเอาไว้ภายในใจที่จะเล่นตาม ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพุดด่งปูกอย่างไรให้อานาทิโชน้อมเรื่องเหล่านั้นมาสู่กายสู่ใจของเราว่าการทำอย่างนั้นดีหรือไม่หรือขั่วอย่างไรเมื่อเราไปจากในใจจะได้ละเรื่องกรรมขั่วเรื่องบาปให้หมดออกไปจากกายของเราข้อที่สองบาปที่เกิดขึ้นทางกายคือการรับตกทกพีนของบุคคลผู้อื่น อย่างแาอธินาทานอธินาทานนี้ทุกคนก็มีธรรมจิตในต้มบัตรพระสตฐานของตนสรวนรักษาไม่ยากให้บุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งมารักมาสมวยเอาไปเมื่อเราไปรักไปสมวยต้องเขาเขาเหล่านั้นก็จะเก็บอกเก็บใจเหมือนกันกับเขามาสมวยของเรา เมื่อเราลดน้อยกด้อย่างนี้การทําชั่วโดยตายเคยการรักตกชกตึงตื้มสะดมบุคคลผู้อื่นก็จะหมดไปจากตายจากใจของเราถ้าเราหยุดพอเราสระนักรักษาทัพย์ของเราอย่างไรคนอื่นทั่วไปเขาก็จะต้องสรวนรักษาอย่างนั้นเราเราไม่กล้าเราแต่ต้องเราแต่ทำทำชั่วเหล่านั้นได้ชื่อว่าเราไม่ทํากรรมชั่วทางใจของเรา เป็นข้อที่สองซึ่งเรียกว่าเราเว้นจากบาสซึงเรียกว่าตาเราจะพาตาปาษาจารนัยข้อที่สามการที่ในร่องเกินตวเรามีข้องกันและสันผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามหาสะพือตัวโดยสุดไม่เห็นเจที่เหลือตันหาความอยากภายในขับจิตใจเท่านั้นเราเล็กเล็กอยู่แต่เรามีคู่ ถ้าหากเราทำไปถ้หาเราอยู่เป็นลูกของท่านก็จะเป็นผู้เจ็บอกเจ็บใจเพราะพ่ของแม่เพราะพ่แม่ไม่ยินดีที่อยากจะให้ลูกของตัวขาย่องซือย่างนี้เป็นผู้ชายจะไปล่วงแล้วเมิดในทรเลาของเขาหลูกเต่าของเขาก็หายระเล็กนึกว่าถ้าหากเขามาเรื่องเกินลูกเต่าของเราจะเป็นอย่างไร และเลิกเลิกทุกอย่างนี้จิตใจเมื่อเห็นว่าหากเข้ามาื่องแล้วเมื่อภรรยาของเราหรือบุตรของเราลูกของเราอย่างนี้เราจะมีความเสียใจขนาดไหนเราก็ไม่กล้า ท, ที่จะไปแบบทำอย่างนั้นเพราะเราเสียใจอย่างเราเขาจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับเรายิ่งเปนสามีภรรยากันหากไม่รักษาความทุ่มทางกายตัว คือสาคือตัวตามเนยจะต้องครอบคัวนั้นจะต้องเดือดร้อนไม่มีความสุกลองลองดูสรุก็เข้าใจกันบ้านเมืองสมัยนี้เกิดข้าศีดีเบย์กันเพราะเรื่องนี้ตายกันเไานับไม่ได้เหมือนกันเพราะความเกลีแค่นในใจข้าหาทะเล า, า, า, าไปมีสู้ก็ฆ่าจะมาจอมกับคนอื่นสามีจะต้องเดือดร้อนเกลียใจ จนถึงขาดตายก็ะด้ข้าหาสามีเอาพบกับยิงอื่นข้ารายยาก็จะเก็บใจหนักแน่นเหมือนกันเคยได้ยินขรารยาสามีฆ่ากันในน้าหนังสือพิมพ์ในเรื่องเหล่านี้มากมายห่ายกองเกิดนั้นเราจะเริ่มจากจำชั่วทางตาใจพ่อนี้อีกถ้าเราเรินจากจำชั่วทางตายเหล่านี้ได้ทุกข้อมา คือฟ่ปานาที่บาทอาิตนาทานตาเนืสิมิตาจารย์เราหมายถึงพิษเราเกิดมาในเพใดชาติใดเหนื่อยยังเยันไหวตายเกิดในวัฏสงสารยังไม่ถึงพระปรินริพานเมื่อใดตายของเราก็จะบรู้สึกกุทธทองเป็นคนที่ไม่มีครมีเลือไม่มีโรคเบียดเบียนเพราะเกิดว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขา ไม่จะ่าเาเขาก็าอยอมไม่มาเบียดเบียนยาไม่ข่าเราเราไม่จะรับจะขโมยเขามีอต้มบาตเพราะสถานอะไรมาก็ไม่มีบุคคลผู้ใดกล้าที่จะมายื่นมือเอื้ขโมยของของเราไปมือบวชทรายาบ่อเบาะนอนสงาไม่นอกเน ห, หนือหาไอเทมใช่นอกอยู่ในขอบเขตของสามืทลายา ชอบครัวก็จะเจริญก้าวหน้าไปด้วยทรัพย์บมบัติหรือความตุกทางกายทางใจนี่แหลนยื่องสถาปาราบาทางกายใครพวกเราทั้งหลายละเว้นจากความทุกข์ทางก า, ายสถาปาราบาทางวาจาบาปเกิขึ้นทางวาจาพูดกันง่นายวาจาพองเราก็เป็นพิษเป็นไข่อย่างใหญ่โตเหมือนกันอะไรทั่วไปในโลก จะเป็นดีดามานดานิตรหายคู่สนิสนมในจิตในใจขนาดไหนต่อตา่างคู่วาจาของเราเป็นมิตรขอาเราไม่ได้างทางว า, า, าจาของเรามีสามากถคู่จะซัดส่วนให้บุคคลคู่อื่นนิยมชมชอบเป็นมหาเสน่ห์ทางว า, า, าจาของเราไม่ดีเล่าก่อปรงกันข้ามจะเป็นชิดเป็นไทยใหญ่โตระหโหสักเกิดนั้นวาจาของพวกเราท่านควนรควรระวังสังวร ควรรักษาควรละเรื่องบาปบาปเกิดขึ้นทางวาจาคันตัว่าการพูดเถิดการพูดสอดนี่เป็นแบบหนึ่งการพูดต่อเสียดเยื่อยองส่งเสริมบุคคลผู้อื่นแต่เสียอกเสียใจให้เดือดร้อนนี่ก็เป็นบาปอีกอันหนึ่งการพูดทำหยาบบา ต่อว่าต่อต่างๆนั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมการพูดเหลือหลายเล่าประโยชน์ก็เป็นบาปเป็นกรรมเมื่อเรื่องบาปเกิดขึ้นทางวาจาหือสีทาาส่ทางอย่างนี้เพราะให้พวกเราท่านต้งลักบาปออกจากบาจาของเราเมื่อเราตำละได้จะเป็นมหาเสน่ห์มีผู้นิยมชมชอบตายตายสบายอบายภูมิเตื้อีอินชดใดพบใดจะมีราจาตัดสิทธิ พูดออกไปมีคนเขาเชื่อเขาถือริยมชมชอมบูช า, ากัตระเรี่อวราชาสัตว์ราจาจิ๋งหากเราพูดเละและเลี้ยวไหลพูดไปโดยไม่เป็นธรรมเป็นดีในพูดไปเกดความโปรกเน็ตเท็ดต่างๆก็จะมีผู้มาลหลอกลวงหรือโกหกต่างๆกับเราเน้นกันที่เราทำกับเขา เกิดนั้นจ <at> ึงควรต้องย้อนรักษาหากเรารักษาได้บาปเกิดขึ้นทางตายทางวาจาของเราก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีบาปบาปก็ไม่ติดตามแผลเขาี้ยเมอเราเรารออย่างไรบาปทางใจพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอปุศลยุติตกยุติตกไปในทางตามอารมณ์ต่างๆเรียกว่าตามารุตกยุติกไปในทางเสียบาทยุติตกไทย ในทางนสัยจเบียบเดียมคนอื่นนี่แหจะได้เสือเป็นบาปทางใจนี่ควรละควรระวังควรสังวรบาปไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากกายจากราจใจอย่างนี้ถ้าพระปาชาตานั่งเห้ละให้เว้นใ้นิจจากบาปจากกรรมส่วนนี้แล้แต่ทาบำเพคุณงามความดีซึ่งเรียกว่าพูดสารสูับจำปทางคุณงามความดีส่วนใด ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอเอาไว้กายของเราควรแต่ทำอย่างไรวาจาของเราควรพูดอย่างไรใจของเราควรนมตควรคิดควรติดควรตามบทธรรมอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่จะทําให้ใจของเราเยียเยนเป็นสุขเราควรทําหนึ่งเราควรแต่ทําเราควรดำเพนถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการหรือถึงแม้ว่าเราจะ ไม่อยากทำํำก็ให้บังคับบัญชาายรายาใจใจแต่ทํำบำเพ็ญคุณงานความดีทานคือทานให้ทารเสียสละพระพุทธเจ้าบอกกล่าวว่าเป็นทางดีคือตัดมัจจุรความตีภายในจิตในใจเรียกร้องคนอื่นให้ชอบใหยินดีในทานแต่ทำบำทําเพ็ญของตนฝืนการรักษาายรายใจของตนไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรม ท่านก็กล่าวว่าเป็นบุญเป็นสุขสนซึ่งพวกเราท่านมีกายมีดาจาจมีใจมีเรื่องกันทางนั้นควรสะสมควรแต่ทําบำเพ็ญให้เกิดให้เนิดส่วนในจิตในใ จ, ในใจนของตนเพราะศีลใน่เด็ดไหาซื้อหานะขอจากที่ไหน ม, มีอยู่ในตาในใจของพวกเราขอขอท่านผั่วนไหจึงควรรักษาได้ทุกการทุกเวลาทุกขณะทุกเัีวโมงนาทีเพราะศีลเป็นความดี จะยังตายรายายใจของพวกเราท่านให้มีความสุขความสบายโลกทั้งหลายที่เดือดร้อนก็เพราะขาจากศีลไม่ใช่ศีลเป็นของขั่วเกิดนั้นศีลจึงคงตัวมาตลอดแต่พระพุทธเจ้ายังทรงทัะสนอยู่แต่ท่งปัจจุบันทุกวันนี้ศีลขอ้ขอใดก็ยังคงที่ดีงามเพราะศีลเป็นของดี่องดี ไม่มีบุคคลผู้ดใดใดผู้หนึ่งสามารถลดละศีลของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้ให้หมดไปได้เพราะศีลเป็นของของดีอย่างนี้พวกเราทั้งหลายจึงถือกันรักษากันหากรักษาได้ปฏิบัติได้ตามข้อศีลต่างๆก็จะมีความสุขทั้งตัวเองและเพื่อนฝูงรวมโลกรวมเดดร่วมตายศีลเป็นของสคัญที่พวกเราท่านาควรรักษาสมาชิ คามตั้งมั่นของจิตของใจพวกเราท่านอย่าค่อยใจว่าสมาธิไม่เป็นข อ, อ, องสําคัญสมาธิคือความตั้งใจมั่นเป็นของสําคัญหาใจของพวกเราเลอะแหละเหลอไหลคิดอะไรไม่สําเร็จทําอะไรไม่สาเร็จเพราะจิตไม่มั่นคงไม่แน่นหนะป๋าท่านนั่นเองสมาธิจริงจําจริงที่พวกเราท่านจะควรอบรมให้ เดให้เห็นให้เห็นสมาธิพระพุทธเจ้าปกะกาวไว้ว่าเป็่งของเครื่องมั่นคงท้องใจแต่สมาธิทางพระพุทธาาศาสนาสมาธิทางการภาวนาก็คือความสงบโยงวางท้องใจ้็ใจปลงุปลงปุ้งตามอารมณ์อยู่ทุกการทุกเวลาหาสงบระงับไม่ได้ความสุขความสบายก็จะไม่เกิดมีขึนน้นจากจิตจากใจท้องตน ถึงมีอก็มีผิวเผินมีแดดจัดมีไรสานมีแดดโลกหาจิตของเราท่านได้อบรวมบ่มเข้าไปด้วยการบริกรมการกําหนดบทธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งถึงแต่ว่าจิตจะงดจงรวมได้ก็ได้ชื่อว่าจิตของเราเป็นสมาธิความอจจะจันความเบาตามสบายความแปรเปลาดความสุขตุณเฉยแต่จบชอบเห็นจะปราศ เดินทัดในจิตในใจของตนจะเชื่อมั่นในคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีความสุขประเสริฐเลอยอย่างนี้เพราะเราในสจใกคัดเชื่อเชื่ในจิตของเราสมาธิก็เป็นทางประเกริฐบุญเกิดสิศักสิอันหนึ่งปัญญาคือความรู้ในกองสังขารควรคิดควรอ่านควรตรึกควรตองในเรื่องปัญญ า, ทาเท่าเทอบเข้าไป ว่าะเหตุว่าสังขารของพวกเราท่านมันเป็นเจิงหลอกจิตหลอกใจเคยลุ่มหลงได้ถ้าหามัมีปัญญาใส่ตองที่ีพิจารณาจริงจังหากเราท่านพิจารณาจริงจังแล้วเรื่องหลอกลวงในจิตในใจเกี่ยวกับสั้งขารก็จะหมดไปตกไปเพราะตามรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นจิตก็ไปไม่ไดเย็ดมั่น ไม่ไปยึดถือหรือแบบหามในเรื่องเหล่านั้นจงตามเป็นจริงคามแก่ความเจ็บความตายตามท่าท่ากจของรักของเจริญใจจะมีวันใดวันหนึ่งในใจของเราเป็นอย่างไรที่เจรนาแดกทายเข้าใจชาติเดชพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้นีเรียองแบบผูรัญสูงเกิดกันไปทางการที่ คือนิธพจลานรผิวสมาธิปัญญาหรือทานการให้กัวดีก็ได้ชื่อว่าสาัจิตะปริโยธาปหนัยคือเป็นเครื่องกำลัะสัดสงจิตที่มนหมองที่มืดมนที่จิดข้องต่างๆให้ตกออกไปให้จิตให้ใจของเราของแคล่วเรียนใสจิตของเรามีการเบา าการสบายจิตของเรามีการปล่อยการบางไม่ยึดไม่ขี้มีความสุขมีความจเจริญเข้าใจประจกักษ์ธาตเกินเป็นสันธิ่สโตหรือประจักตังในผู้กระทำบำเพ็ญนั้นนั้นเกิดนั้นพระพุธทธเจ้าทุกองคท่านจึงสอนให้พวกเราละบาปบำเพนญบุญและํำละสะสางจิตท้องตนให้องแท้ พระพุทธเจ้าและอริยเจ้าทั่วไปท่านเคยไปทำบําเพ็ญมาแบบนั้นท่านยิงได้ถึงทีดสุดยิ่งมุดมุดพานเมื่อพวกเราท่านยิดอ่านและนำธรรมะของพระพุทธเจ้าและสอนตนอยู่อย่างนี้ส ม, าม่าเสมอไปส่วนความชั่วเราจะต้องละความดีเราจะต้องบําเพ็ญสําระตะสารจิตใจทองตนให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ให้เป็นวิชาดูมุดเราจะมีความสุขขนาดไหนจะไปจากในใจของพวกเราทั้งหลายความสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ศั ต, ตรู้ะริณุธรานจะแล้วมากมายใส่กองโต่ตางปัจจุบันความสอนของพระพุทธเจ้าที่เราท่านนับถืออยู่โยนี้ก็สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นโพีิสัตว์จะมาตัดศัตรูอีก จะเป็นจำนวนแสนองล้านองคต่อตามก็จะมาสอนอย่างนี้นมาเดียสอนอย่างอื่นเดือนนั้นท่านจึงว่าเอาตังพุทธ า, านาสาสันนะคำสอนนี้เง็นาำสอนของพระพุทธเจ้าทุกเ ท, กทก่าองค์จะต้องสอนใจละชั่วบำเพ็ญดีและทำจิตทำใจทังตนให้สองแท่พระพุทธเจ้าสิ้นกับปฏิเนธานไปแล้วก่อตามแต่คำสอนของท่าน สิ่งจนคำตัดสิ่งเจ น, นคำจรีนยังคงที่ดีงามอยู่ก็เราท่านลงพาตันอุตส่าพยายามแต่ทำบำเพ็ญกายวาจาใจของพวกเรา ใ, รให้ดีให้ดีให้รู้ให้เห็นให้ถึงที่สุดอย่างพระพุทธเจา้าทรงแนะสอนไม่อย่างนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธาศาสนาก็าจะไม่มีคุณค่าเป็นโมฆะสำหรับเราถึงาศาสนาจะเป็นคของดีเด่น ขนาดไหนแต่จิตใจของเราไปชอบชั่วไปยินดีชั่วกายของเราก็ทาชั่วาจาของเราก็พูดชั่วก็เราชื่อว่าตเราชอบเหมือนศาสนาแต่เท่าว่าในรูปรสชาติของศาสนาว่าเป็นอย่างไรเหมือน ก, นกันกับแม่ทัวที่ปรุงอาหารในแคร์ได้รับประทานว่าเปรี้ยวห ว, วานหรือจำมันอย่างไร ก็ไม่เป็นปรโยชน์สำหรับขาดขันอาหารจะมีมากมายตายกองสัตเท่าไหรก่อนตามหากไม่รับประทานลงไปก็ไม่มีอะไรจะทำขาดขันให้จเจรินเจ้าหน้าไปด้ขันใดทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะยังคงเต้นค ง, งวายอยู่ก่อนตามหากพวกเราไม่นำมาีพิ่จารณาตำรับตั่วบำเพ็ญดีและสร้างจิตสร้งใจของพวกเราท่าน ให้คล่อสายขึ้นทำสอนก็ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สําหรับตัวของพวกเราท่านเดือ น, นั้นพวกเราท่านวันนี้เป็นวันที่ควรละ ล, ะละิกเลิกถึงองค์สมเด็จพรัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของของธรรมพวกเราท่านได้พากันแต่ทำำําบําเพ็ญทางกายทางวาจาทางใจได้เข้าใจความทั่วและความดีต่างๆ อาศัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกมาแนะนำขั้มสอนบัญยัติทำเอาไว้ไม่อย่างนั้นพวกเราท่านก็จะไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกอะไรผู้อะไรดีจะไม่แปลกอะไรกับปฏิแบบัติธรรมเมื่อเราทิ่อ่านอย่างนี้จะเห็นพราคุณของท่านที่อุตตรพยายามแนะนำขั้มสอนประกาศาศาสน า, ศา หากเราทุกคนละเลดกึกถึงด่านนั้นวันนี้พระพุทธเจ้าหาพระองค์ยังทรงค่อยสอนอยู่พระองค์ก็จะได้แนะนำคมสอนบริสัททั้งสี่นี่พระองค์ปรินิพพานไปถึงวันถึงตามถึงสมัยอย่างวันนี้เป็นวันสาคัญที่พระพุทธเจ้าท่นานได้แสดงโอวาทพระปฏิโมกข์เสดพระอรหันต์อรหันต์ตั้งคันสอง้ยห้าสิบองค์และเป็นวันสาคัญ คือวัดองค์พระชมองค์อายุทั้งขานของพระพุทธเจ้าว่าต่อจากนี้ไปอีกสามเดรรอือนเราจะขาดควบจตวรริณพานนี่ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งพระองค์รู้ล่วงหน้าไปอีกสามเดือนเร า, าจาระขาดควบจตวรริณพานเพื่อจะตายพระองค์รู้ด้วยอนาแาตังสยานสยานเขาพระองค์ทัดเย็นเห็นตจจัด นี่แหละพระพุทธเจ้าถึงเป็นผู้ประเสริฐนิเิตเหนือที่เหลือตัญหาไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งในโลกนี้จะเส ม, มอเหมือนพระองค์ถึงแต่นั้นควานแก่คานเจ็บความตายของพระองค์ท่านก็ยังมีพวกเราจึ่งมีที่เหลือตัญหามานัาทิกย์ควรจะลิลุ้นิจริญนาบง่งโปรดสังเวชพวกเราก็จะตายไปเหมือนกัน แต่ถ้าว่าจะปฏิบัติทางอย่างขใใันไม่ได้เด็ดใดเกิดว่าที่เหลือตัญหาภายในใจยังมีอยู่หากเราชำระที่เหลือปัญหามาณจิตอธิษฐาา ท, าาทานภายในจิตในใจหมดไปก็จะเชื่อจะเลื่อมใสจะยินดีจะพอใจในโอวาทของพระพุทธเจ้าจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยใจโดวยว่าจะด้วยใจอย่างถิ่นใจที่เดียว เพราะอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราท่านจึงมีความสุขความสบายหากไปมีธรรมะของพระพุทธเจ้าประจําโลกแล้วเราก็ไม่มีสนนคนทางที่จะเดินจะมืดแดดด่างไม่ว่าจะอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราท่านจึงยังมีชีวิตอยู่จึ่งใดเชื่อ่ะเป็นผู้ที่มีเท่ากล้ า, ลาอันใหญ่หลวง ควรจะปฏิบัติและทั่วบำเพ็ญดีให่ท่วีคูณขึ้นไปจนกระทั่งจิตใจของพวกเราท่านหมดที่เหลือปัญหาเมื่อใดก็ไม่มีบุคคลผู้ใดจะมาตัดสินให้นอกจากตัวของเราเองจะเข้าใจในตัวของเราเองเหมือนการรับประทานอาหารเมื่ อ, อื่นแล้วไม่ต้องมีผู้มาตัดสินให้เวาลาท่านอินแล้วออกไปเสี้ยนในซองบอกท่านอินจะต้อง ลดการรับประทานทีเดียวการบำเพ็ญด้านจิตใจภายในของสมุนกันขอให้พวกเราท่านหมั่นทินิพิจรารณาและจะทำบำเพ็ญให้เต้าน้าเกินไปตามอายุสังาขารเพราะพวกเราท่านจะถึงความร่วมหายตายไปในการใดสมัยหนึ่งแน่แน่เพราะพระพุทธเจ้าขปกปิดนิพพานไปแล้วใส่เราแล้วเล็กน้อยถึงอย่างนี้หมั่นทินิพิจรารณาสร้างความดีละชั่วเรื่อยไป เมื่อพวกเราทั้งหลายมีการพยายามทำตามโอวาทของพุทธเจ้าอย่างนั้นก็ะจะพากันมีความสุขความเจริญในอวาสานการอธิบายคำนี้ขอคุณพระศรีรัตนใตรยัยทรงคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายให้มีความสุขตายสบายใจเลิกสิ่งใดขอจงสมความมุ่งมา่นศาถนาผุกประการนงรับประทานแสงมาของเห็นบ่าจง่วนเสียเวลาเวัน